ฟังธรรมคำพุท ธ, ธะมัชิมนิกายว่าด้วยเรื่องของสัจจกะนิคนนาตบุตรจุลสัจจกสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กุฏาคารศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีก็ในสมัยนั้นสัจจกะนิคนนาตบุตร อาศัยอยู่ในกรุงเวสาลีซึ่งเป็นนักโตวาทะพูดยกตนว่าเป็นบัณฑิตชนจํานวนมากก็ยกย่องว่าเป็นผู้มีลทัทธิดีเขากล่าวปราศัยในที่ชุมชนในกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นสมณนะหรือพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมูเจ้าคณะเป็นคณาจารย์ผู้ปฏิญญาตนว่า เป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อโต้อตอบวาทะกับเราแล้วจะไม่พึงประมาะไม่สะทกสทานไม่หวั่นไหวไม่มีเหงื่ อ, อไหลจากรักแร้เราไม่เห็นเลยแม้แต่คนเดียวถ้าเราจะโต้อตอบวาทะกับต้นเสาที่ไม่มีจิตไม่มีใจแม้ต้นเสานั้นโต้อตอบวาทะกับเราก็ต้องประมาะสะทกสทานหวั่นไหว ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงมนุษย์เลยหนังนี้ก็ในสมัยนั้นเป็นเวลาเช้าท่านพระอัสสชิก็ครองสบงถือบาทและจีวรเข้าไปบินตาตในเมืองเวสาลีสจาจกรกริครนาตาบุตรที่เดินเที่ยวอยู่ในกรุงเวสาลีนั้นได้เห็นท่านพระอัสสชิเดินอยู่แต่ไกลจึงเข้าไปหา ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็ยืนอยู่ในที่สมควรข้างหนึ่งได้ถามท่านพระอสชิว่าท่านอสชิพระสมณโคดมแนะนำพวกสาวกอย่างไรและคำสั่งสอนของพระสมณโคดมที่เป็นไปในพวกสาวกโดยส่วนมากเป็นอย่างไรท่านพระอาสชิตอบในที่นั้นว่า อาคีเวชนะพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคก็เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตน เวทนาไม่ใช <ss> <tomato> ่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคาสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมาก เป็นอย่างนี้แลศัจกะนิคร น, น่าตรบุตรที่นามสกุล อ, อกิเวสนะได้กล่าวกับท่านพระาสชัชชิอย่างนี้ว่าท่านอสชัชชิข้าพเจ้าได้ฟังว่าพระสมณะโคดมมีวาทอย่างนี้ชื่อว่าฟังเรื่องที่ผิดทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะพบพระสมณะโคดมนั้นและสนทนากันสักครั้งทำอย่างไร ข้าพเจ้าจึงจะปลดปเปลื้องพระสมณโคดมจากความเห็นที่เลว3ามนั้นเสียได้ก็ในสมัยนั้นแลเจ้าฤชษีประมาณ5 0าองค์ประชุมกันอยู่นที่หอประชุมด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้นนั้นสัจจกะนิค น, นาตบุตรนามสกุลกิเวสนะได้เข้าไปหาเจ้าิชษีเหล่านั้นและได้กล่าวกับเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่า อท่านเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันวันนี้ข้าพเจ้าจะสนทนากับพระสมณโคดมถ้าพระสมณโคดมจะยืนยันตามคําที่พระอศัศจิซึ่งเป็นพระสาวกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงยืนยันแล้วแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะฉุดกระชากลากพระสมณโคดมไปด้วยถ้อยคําต่อคําให้เป็นเหมือนบุตร ที่กำลังจับแกะที่มีขนยาวที่ขนแล้วจุดกระชากลากไปมาฉะนั้นหรือทำให้เป็นเหมือนคนงานในโรงสุราซึ่งกำลังวางเสือลำแพนสำหรับรองแป้งสุราพืนใหญ่ในห่วงน้ำลึกแล้วจับที่มุมลากฟาดไปฟาดมาฉะนั้นข้าพเจ้าจะสลัดฟัดฟาดพระสมณโคดรมด้วยถ้อยคาต่อคาทาให้เป็นเหมือนบุรุษ ผู้มีกำลังซึ่งเป็นนักเลงจับถ้วยที่หูแล้วฟาดฟัดไปมาฉะนั้นข้าพเจ้าจะเล่นงานพระสมณโคดมให้เหมือนนักกีฬาเล่นกีฬาชักป่านให้เป็นเหมือนช้างที่มีวัยล่วง60ปิปีลงสูส่สระบกรีที่มีน้ำลึกแล้วเล่นกีฬาชักปานฉะนั้นขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกัน วันนี้ข้าพเจ้าจะสนทนากับพระสมนโคดมดังนี้บรรดาเจ้าลิชวีเหล่านั้นบางพวกก็กล่าวว่าพระสมณโคดมจะกล่าวแย้งถ้อยคำของท่านสัจกะได้อย่างไรที่แท้ท่านสัจกะกลับจะกล่าวแย้งถ้อยคำของพระสมณโคดมเจ้าลิชวีบางพวกก็กล่าวว่าท่านสัจกะเป็นอะไร จึงกล่าวแย้งพระํารัดของพระผู้มีพระภาคได้ที่แท้พระผู้มีพระภาคกลับจะกล่าวแย้งถ้อยคำของท่านสัจกะครังนั้นสัจกะนิครนนาตบุตรที่มีเจ้าเลชวี500ห้อมล้อมอยู่ได้ไปสู่วิหารในป่ามหาวันก็ในสมัยนั้นมีภิกษุจานวนมาก กำลังเดินจงกรมอยู่ณนะที่กลางแจ้งพระนั้นสัจจกะนิกรณจึงได้เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นแล้วถามว่าพระสมณโคดมอยู่ที่ไหนเลาภิกษุเหล่านั้นตอบว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปในป่ามาหาวันพักอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นสัจจการนิกรณ์นาดบุตรพร้อมด้วยเจ้าลิชวีห0 0อนั้น เข้าไปสู่ป่ามาหาวันถึงที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้ทูลสนทนาพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งนะที่สมกวนข้างหนึ่งแม้เจ้าเลชบีเหล่านั้นบางพวกอภิวาทแล้วบางพวกทูลแจ้งชื่อและโคดของตนบางพวกพระนมมือบางพวกทูลปราศัยบางพวกก็นิ่งอยู่ พวกเธอทั้งหลายเหล่านั้นก็นั่งนะที่สมควรข้างหนึ่งศาสตราการนิกรนหน้ตรบุตรครั้นั่นแล้วก็ได้ทูลถามรับผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าขอถามท่านพระโคดมสักหน่อยหนึ่งถ้าท่านพระโคดมจะเปิดโอกาสที่จะตอาปัญหาแก่ข้าพเจ้าอักิเวชนะท่านประสงค์จะถามปัญหาใดก็ถามเถิด ท่านพระสมณโคดมแนะนำพวกสาวกอย่างไรคำสอนของท่านพระสมณโคดมที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากเป็นอย่างไรอักิเวสนะเราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของเราที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยง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 และคำสั่งสอนของเราเป็นไปนในสาวกทั้งหลายส่วนมากเป็นอย่างนี้แหละท่านระกรดมข้าพเจ้าขอแสดงอุปมาถวายท่านอาคิเวสนะขอท่านจงพูดเถิดท่านระกรดมพืชพันไม้เหล่าใดเหล่าหนึง่งที่เจริญถึงความงอกงามไพ่บู์พืชพันไม้เหล่านั้นทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดินอยู่ในแผ่นดิน จึงถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้หรือการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลต้องทําด้วยกําลังการงานเหล่านั้นทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินต้องอยู่บนแผ่นดินจึงทําได้แม้ฉันใดบุรุษบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกันมีรูปเป็นตัวตนมีเวทนาเป็นตัวตนมีสัญญาเป็นตัวตนมีสังขารเป็นตัวตนมีวิญญาณเป็นตัวตน ต้องดำรงอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจึงจะประสบบุญหรือบาปได้อักิเวสนะถ้าท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นตัวตนของเราเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นตัวตนของเราอย่างนั้นหรือท่านพระโคดมข้าพระเจ้ากล่าวอย่างนั้นจริงและหมู่ชนเป็นนั้นมาก ก็กล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นตัวตนของเราเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นตัวตนของเราอากิเวสนะมูจนเปน็นนันมากจะช่วยอะไรท่านได้เชิญท่านยืนยันตามคำของท่านเถิดอากิเวสนะถ้าอย่างนั้นเราจะสอบถามท่านในข้อนี้ท่านเห็นควรอย่างไรก็จงกล่าวแก้อย่างนั้น พกิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระราชามาหากริยัผู้ได้รับมรดาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าประสเศนที่โกศลหรือพระเจ้าอาชาศัตรูเป็นผู้ที่มีอำนาจจะฆ่าคนที่ควรฆ่าหรือริบสมบัติของคนที่ควรริบหรือเนรเทศคนที่ควรเนรเทศให้ออกจากอาณาจักรของพระองค์ไม่ใช่หรือ ถูกต้องแล้วท่านพระกรมพระเจ้าประเสนที่โกศลหรือพระเจ้าอาชาติศัตรูก็สามารถทําอย่างนั้นได้แม้แต่คณะปกครองเหล่านี้คือเจ้าวัชีเจ้ามละที่มีอํานาจที่จะฆ่าคนที่ควรฆ่าริสบรสมบัติของคนที่ควรริบหรือเนรเทศคนที่ควรเนรเทศในพระราชาอาณาจักรของพระองค์พระราชาหมหากษัตริย์ผู้ที่ได้รับมรดฐาพิเศษแล้วนั้นก็ต้องมีอํานาจแน่ และควรจะมีอำนาจได้อักขิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่ารูปเป็นตัวตนของเรานั้นท่านมีอำนาจในรูปนั้นหรือไม่ว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยหรือว่าอย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วศัจจกะนิครนนาตรบุตรก็นิ่งเสีย พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามกับสัจจกะนิกรนเป็นครั้งที่สองว่าอักิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่ารูปเป็นตัวตนของเราดังนี้นั้นท่านมีอำนาจในรูปนั้นหรือว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยอย่างนั้นหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้ว สัจการนิครนก็นิ่งเป็นครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับสัจการนิครอีกครั้งหนึ่งว่าอะคีเวสนะบัดนี้ท่านจงตอบไม่ใช่เวลาที่ท่านจะนิ่งผู้ใดถูกตาตาคตถามปัญหาที่ชอบแก่เหตุถึงสามครั้งแล้วไม่ตอบศีรษะของผู้นั้นจะแตกเป็นเจ็ดเสียงในที่นั้นนั่นเอง ในขณะนั้นยักษ์ชื่อวชิรปานีถือตรบองเพชรมีไฟลุกโชตช่วงยืนอยู่ในอากาศเบื้องบนสัจจกะนิคร น, นาตรบุตรยักษ์วชิรปานีได้มีความคิดอย่างนี้ว่าหากสักจจกะนิคร น, นาตรบุตรผู้นี้ถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามปัญหาโดยชอบรมถึงสามครั้งแต่ไม่ยอมตอบ เราจะทุบศีรษะของเขาให้แตกเป็นเจ็ดเสียงนที่นี้แหละดังนี้ในที่นั้นมีเฉพาะพระผู้มีพระภาคกับสัจจการ น, นิครนนาตบุตรเท่านั้นที่มองเห็นยักษ์วชิระปาณีนั้นในทันใดนั้นสัจจการ น, นิครนาตบุตรตกใจกลัวจนขนพองสยองกล้าวแสวงหาพระผู้มีพระภาคเป็นที่ต้านทาน เป็นที่ป้องกันเป็นที่พึ่งได้กราบถูนว่าข้าแต่ท่านพระโกรมผู้เจริญขอจงถามปัญหาเถิดข้าพเจ้าจะตอบในวัดนี้อคิเวศนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นตัวตนของเราท่านมีอำนาจในรูปนั้นหรือว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนี้เลยอย่างนั้นหรือข้าแต่ท่านพระกนมข้อนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอักขิเวชนะท่านจงคิดใคร่กรวนให้รอบคอบก่อนแล้วจึงตอบเถิดเพราะคำหลังกับคำก่อนของท่านไม่ตรงกันอัิเวชนะ ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่าเวทนาเป็นตัวตนของเราท่านมีอำนาจในเวทนานั้นหรือว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนั้นอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยดังนี้หรือข้าแต่ท่านพระโกลงผู้เริญข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นอกิเวชนะท่านจงทำในใจให้รอบคอบก่อนแล้วจึงตอบเถิด เพราะคำหลังกับคำก่อนของท่านไม่ตรงกันอกักเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่าสัญญาคือความหมายรู้ทั้งหลายเป็นตัวตนของเราก็ท่านมีอำนาจในความหมายรู้นั้นอย่างนี้หรือว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าให้เป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้หรือค่าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญ ข้อนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นทานากิเวสนะท่านจงคิดใกล้ครวนมนสิการให้รอบคอบก่อนแล้วจึงตอบเถิดเพราะคำหลังกับคำก่อนของท่านไม่ตรงกันเอาล่ะอะคีเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่าสังการทั้งหลายเป็นตัวตนของเรา ก็ท่านมีอำนาจในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดัยงนี้หรือข้าแต่ท่านพระกรมุมผู้เจริญข้อนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นอกิเวชนะท่านจงทําในใจใคร้กรวนให้ดีก่อนแล้วจึงตอบเพราะคําหลังกับคําก่อนหรือคําก่อนกับคําหลังของท่านไม่ตรงกัน องิเวชนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่าวิญญาณเป็นตัวตนของเราท่านมีอำนาจในวิญญาณเหล่านั้นหรือว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยดังนี้หรือข้าแต่ท่านพระโกดมข้อนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นองิเวชนะท่านจงทำในใจใกรกรวนให้รอบคอบก่อน แล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันอากิเบชนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงท่านพระโคดมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าค้าแต่ท่านพระโคดมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแรปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยท่านพระโกดมอากิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่ายอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงท่านพระคุณลมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์ท่านพระคุณลมสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดากลัวแล้วหรือหนอที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยท่านพระคุณลมกิเวสนะ ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรผู้ใดติดทุกข์เข้าถึงทุกข์แล้วกล่ำเกลื่นทุกข์แล้วยังพิจารณาเห็นทุกข์นั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราผู้นั้นจะกําหนดรู้ทุกข์ได้เองหรือจะทําทุกข์ให้สิ้นไปอยู่จะมีบ้างรึอข้อนั้นจะพึงมีได้อย่างไรท่านพระคุณดม ข้อนั้นมีไม่ได้เลยเอักิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้คนที่ติดทุกข์เข้าถึงทุกข์ก้ามกลืนทุกแล้วก็จะพิจารณาเห็นทุกว่าทุกนั้นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราอย่างนั้นมิใช่หรือข้อนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านพระลมจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ เอาคิเวชนะเปรีเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวส่อแสวงหาแก่นไม้ถือเอาขวานที่ขมกล้าเข้าไปสู่ปา่าแต่เขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ต้นหนึ่งในป่ามีลำต้นตรงเป็นต้นยังอ่อนยังไม่เกิดแก่นใจเขาจึงตัดต้นกล้วยนั้นที่โคนแล้วตัดที่ปลายปอกกลีบออก ในขณะที่เขาปอกกลีบออกอยู่นั้นไม่พบแม้แต่กระพี้ของมันจะพบแก่นได้แต่ที่ไหนเล่าข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันท่านที่ตูเราซักถามแล้วกล่าวแก้ในถ้อยคำของตัวเองก็พึงว่างเปล่าแพ้ไปเองฉะนั้นหะคิเวสนะท่านได้กล่าววาจาในที่ประชุมชนในกรุงเวสาลีว่า สมณะหรือพรามผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์ที่ปฏิญญาตนว่าเป็นอรันตะสมมาสมพุทธยเจ้าโต้อตอบวาทะกับเราแล้วจะไม่พึงประมาะไม่สตอกสถานไม่หวั่นไหวไม่มีเหงื่ อ, อไหลจากรักแร้เราไม่เห็นเลยแม้แต่คนเดียวหากเราโต้อตอบบาทะกับต้นเสาที่ไม่มีจิตไม่มีใจแม้เสานั้น ตัวตอบวาธากับเราก็ต้องประมาะสะทกสทานหวันไหวไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงมนุษย์เลยดังนี้อัิเวชนะยาดเงือของท่านบางหยาดหยดลงหน้าผากไปยังถึงพระหม่มแล้วตกอยู่ที่พื้นส่วนยาดเงือในกายของเราบัดนี้ไม่มีเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตังนั้นแล้วได้เปิดพระวรากาย ที่มีชวีวันดุจทองคำในที่ประชุมชนนั้นไม่ปรากฏเห็นว่ามีเหงื่อเลยสัจการนิครนนาตรบุตรได้เป็นผู้นั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบสาวหมดปฏิบาตในครั้งนั้นเจ้าลิชวีนามว่าทุมมุขะเห็นสัจการนิครนนาตรบุตรนั่งนิ่งเก้อเขินคอตก ซพเซาหมดปฏิภานแล้วจึงได้กราบตูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระคุมผู้เจริญข้าพเจ้าขอแสดงอุปมาถวายเชิญเถิดทุ่ ม, มุขค่ะเชิญเถิดข้าแต่ท่านพระคุมผู้เจริญในที่ใกล้บ้านหรือนิคมที่มีสระบกกรณีอยู่สระหนึ่งในสระนั้นมีปูอยู่ตัวหนึ่ง เด็กชายเด็กหญิงเป็นจานวนมากออกจากบ้านกรณิคมนั้นไปสู่สะโบกกรณีนั้นแล้วก็จับปูขึ้นจากน้ำวางไว้บนบกปูนั้นสายก้ามไปทางใดเด็กเหล่านั้นก็คอยต่อยตีทุบก้ามปูนั้นด้วยไม้บ้างด้วยกระเบื้องบ้างเมื่อปูนั้นก้ามหักหมดแล้วก็ไม่อาจลงสู่สะโบกกรณีนั้นไดเหมือนก่อน แม้สันใดทิฏฐิที่เป็นเชี่นน้าที่เข้าใจผิดและกวัดแกว่งบางอย่างของสัจจกะนิครนนาตบุตรผู้ถูกพระองค์หักโค่นลบล้างเสรยแล้วแบบนี้สัจจกะนิครนนาตบุตรก็จะไม่มาใกล้พระองค์เพื่อโตอวาท่าอีกเช่นั้นเหมือนกันเมื่อเจ้าเลชวีนามว่าท um ุมุขะกล่าอย่างนี้แล้ว ศสตราการนิกรนน่าตรบดจึงพูดว่าเจ้าทุมุขะท่านหยุดเถิดท่านหยุดเถิดท่านพูดมากไปแล้วข้าพระเจ้าไม่ได้พูดกับท่านข้าพระเจ้าหารืออยู่กับสมณโครดมศสตราการนิกรนน่าตรบุดได้กล่าวอย่างนี้แล้วก็กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระมูขเจริญคำพูดนี้เป็นของข้าพระเจ้า และของพวกสำนักพราหมณ์เหล่าอื่นหยุดไปก่อนถ้อยคำนั้นอาจเป็นแค่คำเพ้อเจ้อพูดเพอ้อกันไปแต่ด้วยเหตุเพียงเท่าไรสาวกของพระองค์จึงชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนแห่งาศาสดาตน ลอคิดไปนะสาวกของเราในธรรมะวันไหนนี้เห็นขันทั้งหนั้นทั้งหมดคือรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามด้วยปัญญาอันชอบ ตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสาวกของเราย่อมเห็นเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเห็นสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสั้งขานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน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 ชาวโลของเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำตามโอวาททำถูกตามคำสอนหมดความสงสัยปราศ จ, จากความเคลือบแคลงถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนแห่งศาสดาตนข้าแต่พระคดมผู้เจริญและด้วยเหตุเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ขีณาศพ อยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปร่งภาระลงแล้วพรรลุประโยชน์อันตนถึงแล้วมีการสแสวงหาในภพสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบอคิเวชนะคือภิกษุในธรรมะไว้หนนี้เห็นขันทั้งห้าทั้งหมดนั้นยังได้อย่างหนึ่งทั้งที่เป็นในอดีตอนาคตและปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีกก็ตามมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราจึงหลุดพ้นแล้ว เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยเหตุเพียงเท่ า, านี้แหละจึงชื่อว่าภิกษุผู้นั้นเป็นอรหรันต์ขีณาศพอยู่จบปรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปรงลงแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเธอผู้ที่มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ ย่อมประกอบด้วยคุณอันยอดเยี่ยม3อย่างคือ 1. มีความเห็นอันยอดเยี่ยม 2. มีข้อปฏิบัติอันยอดเยี่ยมและ 3. ม, มีความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยมและเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้เธอผู้นั้นย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยความเลื่อมใสว่า พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงเป็นผู้ตรสัสรู้เองแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อสอนผู้อื่นให้รู้ตามทรงทรมานฝึกพระองค์ก่อนแล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อทรมานฝึกสอนผู้อื่นทรงสงบระงับกองกิเลสได้แล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อสอนผู้อื่นให้สงบระงับกองกิเลส ทรงข้ามห่วงกิเลสได้แล้วทรงทรงแสดงธรรมเพื่อสอนผู้อื่นให้ข้ามห่วงกิเลสทรงดับเพลิงกิเลสได้ด้วยพระองค์เองแล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อสอนผู้อื่นให้ดับเพลิงกิเลสดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ แ, นแล้วสัจจการนิครนนาตรบุตรได้กราบทูลว่า ข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นคนคอยกำจัดกุลของคนอื่นเป็นคนขนองวาจาได้เข้าใจพระดำรัสของพันุพระสมณโคดมว่าตนสามารถลุกรานได้ด้วยถ้อยคำของตนเมื่อบุรุษมาปะทะช้างที่ซับหมันเข้าก็ดีมาพบกองไฟที่กำลังลุกโรลงอยู่ก็ดีมาพบงูพิษที่มีพิษร้ายก็ดี ก็ยังจะพอเอาตัวรอดไปได้บ้างแต่ถ้ามาพบกับท่านพระสมณโคดมเข้าแล้วไม่มีใครจะเอาตัวรอดได้เลยข้าพเจ้าเป็นคนคอยกำจัดคุณของผู้อื่นเป็นคนขนองวาจาได้เข้าใจว่าจะตนเองสามารถจะลุกรานผู้อื่นด้วยถ้อยคำของตนขอท่านพระโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงรับนิมนต์ เพื่อฉันอาหารในวันรุ่งขึ้นนี้เถิดในลําดับนั้นขจการนิคร น, นาตรบุตรผู้พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงได้บอกกับพวกเจ้าลิชวีเหล่านี้ว่าเจ้าลิชวีทั้งหลายโปรดฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้านิมนต์ท่านพระกดมพร้อมด้วยกับภิกษุสงฆ์ไว้เพื่อฉันอาหารในวันรุ่งขึ้นพวกท่านจะนําอาหารใดมาเพื่อข้าพเจ้า ก็จงเลือกอาหารที่ควรแก่ท่านพระสมณโคโดมเถิดเมื่อราตรีล่วงไปเจ้าลิชวีเหล่านั้นได้นำพัตาหารประมาณ500สําสำรับไปให้แก่สัจกะนิครนนาตรบดเขาจึงได้จัดของเคี้ยวของฉันอันประณีตในอารามของตนแล้วจึงได้กราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าไปขณในเวลาเช้า ซึงเสด็จไปพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทั้งหลายไปยังอารามของสัจกะนิครนนาตรบุตรได้ประทับนั่งบนพุทาร์แล้วสัจกะนิครนได้นำของเคี้ยวอันประนีตประเคนแก่พระภิกษุสงฆ์อันมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประมุขด้วยมือของตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคสะบยเสร็จแล้วทรงละมือจากบาทแล้ว ข้าราชการนิกรนจึงเลือกนั่งนะั่ที่สมควรข้างหนึ่งซึ่งต่ำกว่าแลได้กราบทูลว่าข้าแต่พระคุณผู้เจริญขอบุญและผลทานในครั้งนี้จงมีเพื่อความสุขแก่ทายกทั้งหลายเถิดอักิเวสนะบุญและผลบุญในทานนี้อาศัยทักกินิยบุคคลที่ยังไม่สิ้นราคะโทสะโมหะเช่นกับท่าน จะมีแก่ตายกทั้งหลายบุญและผลบุญในฐานนี้อาศัยทะกีนะ่นิยบุคคลที่สิ้นราคะโทสะโมหะเช่นเราจะมีแก่ท่านฟังธรรมคาพุทธะ